การบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาสิทธ์มาเซมาเซสหาเซนะโยยะเชทะสตังสมังเอกันชะพาวิตัตานังมุหุตตมะปิปูชเยซาเยวะบูชนาเซโยยันเจวัสะสตังหูตังแปลความว่ า, วา ผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ใดอบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ใดอบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐ ส่วนการบูชาตลอดร้อยปีนั้นไม่ประเสริฐเลยอธิบายความการบูชาบุคคลที่ม่คนบูชาหรือวัตถุที่ม่คนบูชาแม้บูชาสิ้นร้อยปีพันปีอย่างสม่ำเสมอก็หาไม่ผลประการใดไม่เปรียบเหมือนการหว่านพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ทนเสียอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเหา่า อมันฟื้นตัวได้มันก็ขาดเอาหรือเหมือนการให้กำลังแก่โจนคนที่มีคนบูชาที่ว่านี้คือคนที่มันได้อบรมตนไม่ได้ฝึกตนด้วยดีไม่มีศีลไม่มีธรรมของสัตบุรุษเป็นคนเปล่าจากคุณความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมคะบุรุษไม่ว่าพระหรือคาลุหัสที่ไ ม, ม, ณณรรม่มีคุณธรรมก็ไม่ควคบูชาทั้งสิน้น ส่วนผู้ใดบูชาท่านผู้ที่ได้อบรมตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มีคุณความดีในใจการบูชาของท่านผู้นั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ประเสริฐนำความสุขมาให้ยกตัวอย่างเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคนอื่นๆที่มีคุณธรรมดีมีมารดาบิดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณอื่นๆการบูชาท่านแสดงไว้สองวิธีคือ การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเรียกอามิสบูชาอย่างหนึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยการอบรมตนให้ดีเรียกปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสับเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาแต่มิได้ทรงห้ามอามิสบูชาการบูชาท่านที่ครบูชานั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเป็นการให้กำลังสนับสนุนท่านผู้ประพฤติชอบ เป็นประโยชน์แก่สังคมเข้าพระพุทธภาสิทธว่าข่มคนที่ควรขม่มยกย่องคนที่ควรยกย่อง น, นิกันเฮนิขหาหะระหังปักการเฮปกกคาหะระหังในมงคลสุรทรงจัดการบูชาคนที่ควรบูชาหรือวัตถุที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งพระพุทธาสิทธนี้พระศาศสดาทรงสแสดง เมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชฤก์ทรงปรารพพรมผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรเทระไปะเยี่ยมลุงของท่านถามว่าทำกุศลอะไรอยู่บ้างหรือไม่ลุงตอบว่าบริจาคทรัพย์บารุงพวกนีครนอยู่ทุกๆอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละพันกระหาปณะนะพระเทระถามว่าปรารถนาอะไร พรามตอบว่าปรารถนาพรหมโลกใครเป็นคนบอกว่าทางนี้เป็นทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรถามอาจารย์ของกระผมขอรับพามตอบท่านเชื่อหรือเชื่อขอรับพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพระศาสดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้จักพรหมโลกและทางแห่งพรหมโลกนั้นมาเถิดลุง เราไปฝ้าพระาศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางแห่งพรมโลกพระเถระพาลุงไปฝ้าพระาศาสดาหลังจากได้ตรัสปราศัยและสอบถามเรื่องราต่างๆแล้วพระเจ้าองค์ตรัสว่าพรามการแคดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมสายเพียงครู่เดียวหรือหรือด้วยการถวายอาหารเช่นข้าวทัพีเดียวยังมีผลมากกว่าทานที่ท่านกําลังทําอยู่ในบัดนี้หรือที่ท่านให้แล้ว แม้ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนทิพระธรรมเทศนาต่อไปว่ามาเซมามาเซซาเซนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพน า, นามาแล้แต่ต้น